อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของธรรมารารุณในวันเสาร์อาทิตย์นั้นทีฉันก็จะไดะ้มีโอกาสที่จะมาะเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะที่จะกลับเรียนสนทนากับพระอาจารย์ไพบุณภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดทิโตภโสหรือท่านพระคุณสิทธิ์พภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือว่าการสักกานั่นเองนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นชาวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนม ก, กราคมปีใหม่นะคะพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้เป็นวันแรมหข้ามเดือน2อหรือว่าเดือนยี่นะคะปีเถาะค่ะก็มาพบกันในเช้าวันเสาร์นี้ดิฉันคิดว่า ก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังมากราบน้ำสการพระอาจารย์ไปบุญอภิภุโนกันเลยนะคะเนื่องจากเรามีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ได้เขียนถามเข้ามาอ่ายังพระอาจารย์ไปบุญอภิภุโนซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านค่ะดังนั้นก็ขอนํามาตอบในรายการในช่วงของสักกช้าในวันเสาร์นี้กันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำสการพระอาจารย์ไปบุญอภิภูโนพร้อมกันนะคะกราบน้ำสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเทียพาน ทูเจ้าคะ่ะสำหรับจดหมายที่จะขออนุญาตพระอาจารย์ น, นํามาตอบนะเจ้าคะก็คือเป็นจดหมายที่คุณกนกรัฐเขจรแขถ้าเบื่อเดินออกเสียงผิดพลาดยังไงก็ขออภัยคุณกนกรัฐ ด, ด้วยนะคะอาจจะออกเป็นเขจระแขหรืออะไรหรือว่าเขจรแขประเด็นขออนุญาตอ่านอย่างนั้นแล้วกันนะคะก็ได้กราบนมส ก, การเรียนถามพระอาจารย์มาหลายประเด็นด้วยกันประมาณ3าประเด็นนะคะหลังจากที่ คุณตนกรัฐได้ฟังพระอาจารย์ใบบุญได้เมตตาที่จะชี้แจงแล้วว่าเจ้าค่ะยมขออนุญาตนําข้อแรกมาเรียนถามเลยดีไหมเจ้าค่ะก่อนก่อนที่จะไปถึงคําถามมันจะมาต้องการจะพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการสักการะนิดนึงก่อนคุณเตือนใจเจ้าค่ะว่ า, าเรื่องการสักการะเนี่ย<ะ>ที่เราจัดให้มีการสักการะในสัปดาห์หนึ่งสอวันเนี่ยนะเพราะว่าอย่างอย่างจริงๆวันพฤหัสเนี่ยเราก็เอาอาจมาก็เอาคําถามของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาเราก็มาตอบบ้าง ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นการตอบของอาตมาคนเดียวซึ่งการสากษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าก็จะมีคําถามบางประเด็นที่ได้มีการแบบถามกันตอบกันสดๆเลยนะเผื่อว่าประเด็นบางประเด็นเราพูดขึ้นไปเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจจึงต้องมีการซักถามกันเดี๋ยวนั้นจึงจะเป็นประโยชน์แล้วการสากษาเนี้จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้เป็นหนึ่งในแปดอย่างนะที่จะทําให้เป็นการ ได้มาซึ่งปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ยังไม่เคยได้ในวันนี้จึงต้องต้องมามีการสากคฉากันซึ่งบางทีก็จะเอาคําถามของท่านผู้ฟังมาตอบที่เป็นประเด็นที่ต้องมีการขุดคุยค้นคว้าเพิ่มเติมหรือบางทีเราก็พูดเรื่องอะไรขึ้นมาสักที่มันเห็นว่าสมควรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนี้เราก็เอาคําถามของคุณกนกรัฐมาคุยนะเจ้าค่ะและโยมก็จะได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณกนกรัฐแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่จะสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำถามแรกที่คุณกนกรัฐได้เขียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนมานะเจ้าคะก็ถามว่าในช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนานเนี่ยนะเจ้าค ะ, ะทางตามที่พระอาจารย์ได้อธิบรรยายไปนานเนี่ยทางคุณกนกรัฐก็บอกว่าต้องการที่จะทราบในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสมาบัติและมิรุษสมาบัติซึ่งเมื่อคุณกระนกรัฐรฟัง แล้วเนี่ยก็อยากจะขอเป็นความรู้เพิ่มเติมในเรื่องทั้งสองนี้เจ้าค่ะก็กลับมิหมดอาจารย์เจ้าค่ะจริงๆแล้วในวันจันทร์ที่เป็นช่วงเวลาของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยเราจะมาได้พูดถึงเรื่องของสมาธิคือฌานแปดนีคือบางคนเขาก็ใช้คําว่าฌานแปใช่ไหมบางคนาขาเขาใช้ว่ารูปฌปานอะรูปฌานสมาบัตบ้างฌานก้าบ้างแหรงต่างบ้างเนี่ย เ, ออเราได้พูดไปคุณเตือนใจทีนี้ว่า พอเราพูดไปแล้วเนี่ยธรรมาก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพูดไปแล้วแล้ ว, ลวท่านผู้ฟังจะเข้าใจไหมคือหมายความว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเราไปกินอะไรสักอย่างเนี่ยคุณใจสมมุติคนที่ไม่เคยกินแกงฮังเลของภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแดีไม่ว่าเราจะอธิบายเป็นยังไงคุณคุณเตืนใจเคยรับประทานแกงฮังเลไหมเคยเจ้าค่าะแล้วก็ตอบด้วยเจ้าค่าะเออคือถ้า <c oughs> คนเขาไม่รู้จัก <c oughs> เขาจะไม่รู้เลยแกงฮ <c oughs> ังเลอะไรเนาะมันทํามาจากอะไรใช้เครื่องปรุงอะไรรสชาติเป็นยังไง วุนเราจะอธิบายไม่ได้หรอกหรืออย่างถ้าเป็นภาคอีาสานเนี่ยก็เลิกต้มน้องวัวคุณตื่นใจเคยรับประทานต้มต้มน้องวัวไหมไม่เคยเจ้าค่ะนะถ้าก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรมันทํามาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างถ้าภาคใต้เขาก็จะมีอาหารอย่างแกงไตปลาหรือว่าผัดสตออย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนไม่เคยกินจะไม่รู้แตว่าอาหารมันรสยังไงมันทํามาจากอะไรโดยเฉพาะยิ่งต้มน้องวัวเนี่ยหลายๆคนเขาพูดกันเหลือเกินจนกระทั่งอาตมามาภาคอีาสานถึงถึงได้รับประทานเนี่ยได้ชันเนี่ย ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพอคนเขากินเข้าไปเขาก็จะทราบแล้วนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราเไม่รู้เราไม่เคยได้เนี่ยอธิบายไปมันก็จะเท่านั้นเท่านั้นหมายความว่าคุณก็จะรู้เท่าที่ พ, พระพุทธเจ้าบอกนะทีนี้จิงต้อง ท, ที่ที่จะอธิบายให้ฟังเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ตรงส่วนที่ว่าเรามาทําความเข้าใจกับความหมายของคําให้ถูกต้องดีกว่า อย่างเช่นว่าคำเนี่ยมันยังมีการใช้กำกวงกันอยู่ซึ่งคิดว่าถ้าเรามีการทําความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปมันจะทําได้คําแรกที่ต้องการทําความเข้าใจก่อนคือเรื่องของคำฌ า, า, ชานาชกกรเชยสราอานอ น, นอนหนูใช่ไหมฌานตรงนี้หรือบางคนก็สะกดด้วย ช, ชกกระเชยสลาอานอนเนนใช่ไหมซึ่งฌ<ะ>านตรงนี้เนี่ยเป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าใช้ นะแปลว่าการเพ่งซึ่งคําว่าการเพ่งตรงนี้เนี่ยบางคนทําให้คนเข้าใจเลยแปลว่ามันเป็นการบังคับนะซึ่งการเพ่งเนี่ยถ้าเราจะพูดให้เข้าใจถูกต้องก็คือการเอาใจจดใจจ่อรนะับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเอาใจจดใจจ่อตรงนี้ก็ไม่ได้บังคับนะไม่ได้เกรงคือเหมือนกับเวลาที่เราถือแว่นขยายนะ ไม่แน่ใจว่าคุณตนใจเคยทําการทดลองนี้สมัยเด็กๆไหมที่เขาเอาแว่นขยายมารวมแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเพื่อที่จะให้มันมีเขาเรียกว่ารังสีของมันเนี่ยรวมเป็นจุดเดียวเผากระดาษขึ้นมาจุดหัวมไม้ขีดขึ้นมาลักษณะนี้ใชจ้าค่ะเคยทําเจ้าค่ะซึ่งตรงติด จ, จริงๆด้วยใช่ไหมแล้วมันทําได้จริงๆยิ <S <S <S ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าแว่นขยายขนาดใหญ่เนี่ยก็จะสามารถทําได้แล้วก็ไอเวลาที่เรารวมแสงเนี่ยเราถือแว่นขยายเนี่ยเราต้องถืออย่างมั่นคง ถ้าถือสั่นไปสั่นมาก็จะไม่ได้ทีนี้ถ้าเราถือแน่นเกินไปจับมันแน่นกำแน่นเลยเกรงไปเลยเนี่ยก็จะไม่ได้อีกเนื่องเพราะมันก็จะเกรงเกินไปใช่ไหมซึ่งตรงนี้คือลักษณะของการชาญคือคุณต้องเพ่งนะจับอย่างมั่นคงถ้าจับล้มลุ ม, มันก็หลุดจากมือถ้าจับแน่นเกินไปจนกระทั่งเกรงมันก็สั่นทํางานไม่ได้คุณต้องจับอย่างมั่นคงนะซึ่งการจับอย่างมั่นคงนี้ก็ถ้าจะพูดภาษาบ้านเราก็คือเอาใจจดใจจอ่อเอาไว้ นะอย่างเขาเรียกว่าอย่างดีทีเดียวยไม่ใช่บังคับไม่ใช่เกรงนะแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยให้มันหละหลวมจนเกินไปอันนี้คือคําว่าฌานนะ <Okay. S 1> ทีนี้คําว่าฌานเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ความหมายถึงการเพ่งรูปนะเพ่งรูปในที่นี้สมมติรูปนี่คือสิ่งที่จับต้องได้มีเช่นท่านดินท่านนา้ำท่านไฟท่านลมเป็นต้นในะอย่างกรณีที่เราสังเกตลมหายใจอย่างเงี้ยคือเราก็เพ่งลมหายใจนะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็น จุดในการที่จะรวบรวมจิตอรอให้มาอยู่ที่นีนะ่บางคนก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าการฝึกกสินใช่คือคุณใช้สายตานะแต่การใช้สายตาในลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าจะทำให้ตาลำบากนะแต่ถ้าเรามาใช้อนาปานสติเนี่ยตาเราก็จะไม่ลำบากร่างกายก็จะไม่ลำบากใช่ไหมคือแค่มาสังเกตลมหายใจ <Okay. S 1> ทีนี้การที่เราใช้สิ่งที่เป็นรูปมาสังเกต มาเพ่งเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยาบางคนก็จะใช้คําว่ารูปปัจจานนะจริงจริงตรงนีง้เป็นปพุทธวจนะด้วยนะรูปปัจจานคําว่ารูปปัจจานก็คือใช้รูปนะของที่ดินน้ําไฟลมเนี่ยมาเพ่งทําให้ เ, เกิดสมาธิเกิดขึ้นรูปปัจจานสมาธิสมาบัตินะเป็นคําคล้ายๆกันคําว่าฌานคือการเพ่งใช่ไหมเพ่งแล้วจิตคุณเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วคุณจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาบัติ สมาบัติเนี่ยเป็นคำกลางๆคุณตใจที่หมายถึงสมาธิคือสมมุติว่าสมาธินี่คือจิตเป็นหนึ่งแน่ๆเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมแล้วถ้ามันมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นมีปีติมีสุขแล้วมีอุเบกขาพวกนี้รวมกันหมดเนี่ยพระพุทธเาบางครั้งก็จะใช้คําว่ า, สม า, าะะสมาบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นสมาบัติเนี่ยอย่างฌานหนึ่งพริชาก็จะใช้ว่าปฐมฌานะคือฌานที่หนึ่งหรือบางทีก็เรียกว่า สมาบัติรูปสัญญาสมาบัติที่1อย่างนี้เป็นตน้นนะชาญที่2องผู้เช่าใช้คําว่าตุติยชาญหรือชาญที่2หรือใช้คําว่ารูปสัญญาสมาบัติที่2ก็มีนะชาญที่3ามชาที่4ี่ก็ไล่ไปใช่ไหมชาญที่4นี่เป็นผู้วจนะบางทีก็ใช้คําว่ารูปสัญญาสมาบัติที่4อย่างนี้นะอันนี้คือเวลาเราใช้รูปนะเป็นวัตถุในการเพ่งจึงเกิดเป็นรูปประชานะสี่อย่างแรกนี่เราเรียกว่า รูปฌานอย่างนี้ <Okay. S 1> ทีนี้องค์ประกอบของแต่ละสมาบัติเนี่ยอันแรกนะก็ไม่ยากเลยนะแค่เราจิตมีปราศจากกา ร, รพยาบามบเบียดเบียนนะแล้วก็มีปิติสุขเกิดขึ้นปิติสุขก็คือหมายถึงความสบายใจความอิ่มเ อ, อิบใจนะความสุขก็คือความสุขที่อยู่ในใจนี้แล้วก็มี4อย่างนะคือปิติสุขจะหมายมีความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกา ร, รพยาบามบเบียดเบียน นิวรณ์ทั้ง5ไม่มีนิวรณ์ทั้ง5นี่หมายถึงบางทีความงงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านความอยากในกามนะความเครือบแคลงระแวงสงสัยอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีนิวรณ์หไม่มีเนี่ยเราก็ไม่มีกามไม่มีปีบาตไม่มีเบียดเบียนด้วยเนี่ยอันนี้คุณเป็นสมาธิระดับที่1นละฌานที่1ละทีนี้ว่าระดับของชานหนึเนี่ยคุณจะได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่หนะมายถึงว่าช่วงเวลาที่คุณปฏิบัติเนี่ย สมมติถ้าเราทำได้หนึ่งวินาทีช่วงหนึ่งวินาทีนี้ระจิตเราเป็นอย่างนี้คุณก็ได้ฌานที่1ใน1วินาทีนั้นนนั้นหลังจากวินาทีที่2อไปคุณก็ไม่ได้แล้วก็กำลังของสมาธิก็ไม่มีเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของสมาธิในการเข้าและการออกในการดํารงอยู่จึงจะเป็นผู้ที่มีกําลังในสมาธิได้อย่างนี้นะที <Okay. S 1> นี้เรื่องรายลเอียดของสมาธิเราจะพูดแค่นี้กั น, กอ น, กอนพอทีนี้พอต้องการจะพูดถึงความหมาย ในะเรื่องการใช้คำให้ถูกต้องของส่วนที่เป็นรูปประชานเะนี่ยจริงๆคนทั่วไปเขาจะใช้คำว่ารูปประชานนะีคือการใช้สิ่งที่ไม่ใช่รูปไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปนะถ้าเราแปลความหมายกันอย่างนี้ซึ่งพอเรามาปฏิบัติจริงๆเราจะทําไม่ได้เลยเพราะว่าของมันไม่มีจับต้องไม่ได้เนี่ยมันไม่มีเครื่องไปวัดแล้วเราจะไปเพ่งนั้มเพ่งไม่ได้แตนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้คำว่ารูปประชาน เนะีพุทธเจ้าใช้คําว่าอากาสารนันจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณนันจายตนะแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะนะคานี้เป็นภาษาบาลี4อย่างเนี่ยที่เรานิยมกันเรียกว่าอารูปฌานอารูปฌานเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คํ า, า, าว่าอารูปฌานแต่พรุทธเจ้าใช้คําว่าอารูปสัญญาสมาบัตินะคือ8ขั้นเนี่ยเรียกว่าสมาบัติหมดแต่4ขั้นแรกเท่านั้นที่เรียกว่าฌานอีก4ขั้นถัดมา เราต้องเรียกว่าอรูปสัญญาสมาบัติเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ฌานแล้วมันไม่ใช่การเพ่งคือเราไปเพ่งไม่ได้มันไม่มีอะไรให้เพ่งเข้าใจไหมอย่างพูดถึงอารูปสัญญาสมาบัติขั้นแรกเนี่ยที่เรานิยมเรียกกันว่าอรูปฌานหรือฌานที่5้าอย่างเงี้ยอรูปฌานที่1หรือฌานที่5อย่างเงี้ ย, 1, ยซึ่งเป็นคำไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เพ่งมันเป็นแค่การทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเฉ ย, เฉย นะคือพูดถึงอากาศคุณจะไปเพ่งได้ไงมันมันไม่มีอะไรให้เพ่งนะแล้วอากาศมันก็จะเป็นโมเลกุลใช่ไหมเราไปเพ่งช่องว่างระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันก็เพ่งไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้เพ่งนั่นพะระเจ้าถึงบอกว่าแค่การทำในใจนะว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดช่องว่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นเองนะก็จะทําให้มีอายตนะใหม่เกิดขึ้นมานะที่จะรับรู้ข้อมูลตรงนี้ได้ตรงที่อาตมาพูดถึงอายตนะใหม่นี่นะคุณเตือนใจคือหมายถึง เวลาที่เรามีตาเนี่ยเราจึงรับรู้รูปได้เห็นแสงได้ใช่ไหมมีหูเราก็ได้ยินเสียงได้ถูกแต่ถ้าเรามีเราต้องมีอายตนะนี้ที่เรียกว่าอากาศสารนันใจยตนะเราถึงจะเข้าใจความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดไดนะ้มันเป็นเหมือนกับอายตนะที่เป็นจับต้องไม่ได้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนา ม, มาธรรมนะถ้าเป็นภาษาวิทยายศาสตร์เาเรียกว่าซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์อายตนะเป็นซอฟต์แวร์ที่บางทีก็หายไปบางทีก็โผล่ขึ้นมาตามการใช้งานลักษณะนี้แต่ว่าอย่างตาของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมตามีอยู่ตลอดเราเห็นอยู่ตลอดลหูมีตลอดหเห็นได้ยินเสียงอยู่ตลอดลมันไม่ได้หายไปจนกว่าเราจะตายแต่ไออาการสัญญาใจยตนะอายตนะทั้ง4อย่างที่พูดถึงในรูปอารูปสัญญาสมาบัติเนี่ยมามาไปไปเกิดเกิด ด, ดับๆับเราสร้างได้มันหายไปได้ลักษณะนี้ถ้าอาจมาจะพูดลึกไปกว่านี้เนี่ย เราก็จะพูดได้เท่าที่พระพุทธเาประกาศเอาไว้นั่นคือเรื่องของอากาสารนันใจยศนะนั่นคือการทำในใจอากาศไม่มีที่สิ้นสุด น, น, นจันยาย น, น่นคือการทำในใจว่าอะไรๆก็ไม่มีเป็นต้นอย่างนี้นะหรือวิญญาณไม่มีจนกระทั่งถึงเหมือนกับมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ น, น, นี่คือ8ขั้ น, น, นเป็นรูปสัญญาสมาบัติ4ขั้นเป็นรูปสัญญาสมาบัติ4ขั้น8ขั้นตรงนี้แล้วขั้นสุดท้ายคือขั้นที่9เนี่ย ก็คือการที่สัญญาและเวทนาเนี่ยดับไปนะเขาใช้คําเต็มๆว่าสัญญาเวทะยิตะนิโรธสมาบัติหลายๆคนจะใช้คําว่าพูดันชันวนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติแต่ซึ่งชื่อเต็มๆเนี่ยก็คือสัญญาเวทนาดับไปนถ้าพูดเป็นสามเหลีคือสัญญาเวทะยิตะนิโรธสมาบัติซึ่งหลายๆคนจะไปฮือหาว่าโอ้เป็นสมาธิขั้นลึกซึ่งอะไรแต่คือเป็นสมาธิขั้นลึกซึ่งใช่ถูกแล้วก็ คงจะทําได้ยากอยู่เหมือนกันนเพราะว่าต้องเป็นสมาธิสําหรับพระอาหารหันต์หรือว่าพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะเข้าสมาธิระดับนี้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกพระอ า, หารหันต์ทุกรูปหรือว่าพระอนาคามีทุกรูปจะเข้าได้ด้วยนะจะ ต, ต้องเป็นผู้ที่มีความชนานาญในทั้งจิตมาก เ, เรื่องนี้ก็จะพูดให้ฟังได้ประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าพูดลึกไปกว่านั้นก็จะเหมือนกับเราอธิบายอาหารที่เขาไม่เคยกินอะ ถ้า อ, อาจจะมางงใช่ถ้าอาจมาจะพยายามอธิบายให้คุณตื่นใจว่าไอ้น้องวัว น, นี่มันเป็นยังไงเนี่ยว่าคุณตื่นใจจะไม่เข้าใจอยู่ดีต้องไปกินเองต้มน้องวัวมันเป็นยังไงเจ้าค่ะทีนี้ก็คงจะอธิบายคร่าวๆได้ระดับนีนะ้ก็เพียงเข้าใจสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเนี่ยคือเรื่องของการใช้คําให้ถูกต้องนะสีขั้นแรกคุณเรียกว่าชานได้โอเคถูกต้องนะรูปประชานสีขั้นแรกนะสขั้นถัดมานะคุณต้องใช้คําให้ถูกต้องว่า รูปสัญญาสมาบัตินะคําว่า ส, สมาบัติก็ตามคําว่าฌานก็ตามนะคําว่าการเพ่งก็ตามเป็นคํากลางๆนะําถึงการเอาใจจดจ จ, จ่อการมีสมาธิอย่างนีนะ้แล้วขั้นสุดท้ายคือสมาธิที่ไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาคือถ้าเราจะพูดถึงความสุขในโลกเนะี่ยคุณเตือนใจที่พระเจ้าไล่เอาไว้เนี่ยพระเจ้ามีคอนเซปต์ Concept, หรือมีหลักการที่บอกว่ายิ่งมีน้อยเนี่ยยิ่งมีความสุขมาก อย่สมมติว่าพระองค์มีประสาทสามหลังใช่ไหมมีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีค่าทารบริวารมากมายเลยเอ า, อางี้พวกนี้ออกไปใช้ให้หมดของภายน อ, กออกให้หมดเครื่องแบบมงกุฎชัดาเพชรแก้แวแหวนเงินทองออกไปแล้วฉันเอาจีวรผ้าปอนนะ ป, นปนธรรมดามโหมแล้วพอละสบายใจละคือมีน้อยยิ่งมีความสุขใช่ไหมทีนี้ในจิตของเราล่ะจิต ข, ข, ข, ของเราถ้าเราคิดปุนมีบุนบายคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้โอ้ความคิดมากมายเหลือเกิเนนะเอาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่ไม่ดีเราไม่คิดคิดแต่ส่วนดีพออันนี้ยิ่งมีความสุขขึ้นมาระดับ ที่หอันนี้คือสมาบัติระดับที่หละเอาทีนี้ส่วนที่ดีๆเราก็ไม่คิดละเราคิดเรื่องเดียวเรื่องอุเบกขานะเราก็เอาน้อยลงเข้าไปอีกใช่ไหมก็ยิ่งดีทีนี้ส่วนสี่อย่างแรกคือสัญญาสมาบัติรูปสัญญาสมาบัติ4อย่างแรกเนี่ยยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยรูปอยู่คือสิ่งในต่างๆในโลกเนี่ยมีรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณถูกไหมถ้าเราหักรูปออกไปเหลือ4อย่าง แค่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ยิ่งมีความสุขมากกว่าใช้รูปเพราะว่ารูปนี่มันแตกสลายได้ด้วยสิ่งภายนอกแต่สี่อย่างนี้เป็นภายในนะเสื่อมไปยากกว่าหน่อยแล้วทําไมสมาธิขั้นสุดท้ายเนี่ยคือสัญญาเวท้าอิตา Niryo เนี่ยมีความสุขมากที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดที่ใครคนใดคนหนึ่งในโลกนี้นะคุณตื่จะมีได้นั้นะมีแค่วิญญาณกับสังขารนะสัญญาเวทนาก้อนถัดไป จิตของเขาเนี่ยเหลือแค่สองขันนั่นคือวิญญาณกับสังขารอย่างอื่นหายไปหมดเลยดับไปหมดแล้ ว, วสมาธินี่ลึกซึ้งมากและเป็นสมาธิที่เรียกว่ามีน้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้ใครคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยจะมีได้ในจักรวาลเนี้ยในระบบสมมตินี้น ะ, ะแล้วพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นสมาธิที่มีความสุขมากมีความลึกซึ้งมากลักษณะนีะะ้ก็เรียกว่าใกล้นิพพาน เลยนะค<ช>รับเป็นานแล้วคนที่เข้าถึงระดับนี้ได้เนี่ยเข้าออกเข้าออกปุ๊บเท่านั้นเองเขาจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นได้เฉพาะสมาธิที่สําหรับพระอนาคามีนะหรือพระอาหารหันต์ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิอย่างมากทีเดียวเจค่ะซึ่งสําหรับศาสนาสนิกชนเราที่เพิ่งเริ่มต้นนะเจ้าค่ะก็คงจะไม่ไม่ควรจะท้อถอยแต่ว่าเราปฏิบัติต่อไป ก็คงจะทำให้จิตใจเรานั้นเนี่ยศึกษาแล้วก็มีสมาธิละเอียดยิ่งขึ้นไปใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบข้อแรกคุณรัฐเป็นถามมาใช่ั้ยเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะทีนี้มาถึงข้อที่2ที่คุณกระดุกรัฐถามมาเจ้าค่ะก็อันนี้ก็ฟังในช่วงของวันพระสปดิที่ พระอาจารย์ไพบูลได้พูดถึงช่วงของพุทธวจนะนะเจ้าคะ mm hmm. ทางทางคุณกนกรัฐก็บอกว่ามีความต้องการที่จะขอรับฟังพระสูตรที่พระอาจารย์ไพบูลเคยอ่านให้ฟังในเรื่องของการหลีกเร้นเกี่ยวกับจิตในกรณีที่นายช่างผู้ทําทองทําการ uh oh. ร่นทองสกัดทองแยกออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธ mm ิ hmm. ์เพื่อให้ได้ที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับจิตที่จะต้อง ส, สกัดกิเลส ต, ต่างๆออกไปเรื่อยๆ จนถึงจิตเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งในครั้งนั้นโยมประทับใจหมายถึงว่าคุณกระโหนรับประทับใจนะเจ้าค่ะในพระสูตรนี้มากก็ยังต้องการที่จะขอรับฟังพระสูตรนี้จากพันเตพระอาจารย์ไพบูลในรายการครั้งนี้เจ้าค่ะขออนุมทนาครับก็ในพระสูตรนี้นะเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสเอาไว้กับพิสูจน์ทั้งหลายนะตรัสไว้อย่างนี้คิดว่าพอมีเวลาอยู่อบอกว่าเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบของทอง คือดินร่วนทรายก้อนกรวดและกระเบื้องมีอยู่คนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมเรียรายทองนั้นเทลงไปในรางน้ําแล้วล้างล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเส้าหมองอย่างหยาบหมดแล้วทําให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ยังคงมีเครื่องเส้าหมองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดทรายอย่างหยาบ คนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมล้างถองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางหมดแล้วทําให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกระลัำพักคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของเขาก็ย่อมล้างถองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมด เมื่อล้างเครื่องเศ้ามองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วคราวนี้ก็ยังคงเหลือกองใส่ทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทองใส่ทองลงไปในปากเบ้าแล้วเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ยังไม่ติดสนิทแนบเนื้อเป็นอันเดียวกันยังไม่ถูกนำรถฝาดออกมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแกการงานของช่างทองไม่ส่งรัศมี เนื้อไม่ร่วนไม่เหมาะสมแก่การกระทาของช่างทองช่างทองหรือลูกมือของเขาก็ย่อมเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ในสมัยใดเมื่อทองนั้นถูกเป่าแล้วเป่าเล่าถูกเป่าจนได้ที่สนิทแนบเนื้อเป็นอันเดียวกันถูกนำรถฝาดออกหมดแล้วมันย่อมเป็นของอ่อนควรแก ก, การงานของช่างทองเนื้อไม่รวน มีรัศมีเหมาะสมแกการกระทำของช่างทองถ้าเขาต้องการจะทำเครื่องประดับเช่นต้มหูสร้อยคอหรือสวนมาลาก็ตามเขาย่อมประสบสามารถทำข้อนี้ได้ดังนี้อันเรื่องตรงนี้นะคุณใจผู้เช่ายกตัวอย่างถึงการล้างทอง <Okay. S 1> นะล้างคนล้างทองกับช่างทองนี้คนละคนกันนะเวลาที่เราทำเหมืองทองเนี่ยเราจะต้องเอาทรายเอาทองเขาต้องมาล้างก่อนใช่ แล้วก็เปรียบเทียบพระุูปเจ้าเปรียบเทียบของก้อนกรวดทรายพวกนี้นะคือกิเลสเขาเรียกว่าตะกอนอย่างหยาบเนี่ยเปรียบเทียบกับกายวาจาใจอันเป็นทุจริตในส่วนเครื่องเศร้าหมองของทองอย่างกลางนึ่งคือก้อนกรวดอย่างละเอียดแล้วก็ทรายอย่างหยาบพวกนี้ก็คือความมิจฉาสังกปะคือความคิดในทางกางความคิดเป็นอย่างทางปัจบันแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียน ส่วนกิเลสอย่างละเอียดนะที่พระพุทธเจ้าหมายถึงพวกที่พรุทธเจ้าหมายถึงพวกอะไร ล, ล่ะสเกจกกรลลาพักแล้วก็ทรายอย่างละเอียดนะพวกนี้ก็เปรียบเสมือนกับพวกนิวรณ์ทั้ง5อย่างนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องทำความสะอาด จ, จิตเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันล้างทองนี่แหละแล้วนะค่อยๆทำไปให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างนี้ก็จะสามารถทาได้ แล้วในที่นี้เราจะเห็นว่าทองคําเนี่ยพอเราล้างพวกเศษออกแล้วเนี่ยนะคุณเตนใจมันจะยังมีรสฝาดในทองคำนะเป็นของที่ทําให้ทองคำเนี่ยเนื้อร่วนคือไม่ไม่หลอมติดเป็นเนื้อเดียวกันนะนะคือทองเนี่ยช่างทองเขาเล่าเอามาเป่าไฟเป่าให้หลอมให้มันลดฝาดออกไปรดฝาดพวกนี้ก็จะเป็นพวกตะกัวดีบุกที่มันอยู่ในเนื้อของทองคําเลยนะไม่ใช่เศษที่เราจะล้างได้ ต้องใช้ความร้อนเท่านั้นในการที่จะเอาทองคํานี้ออกไปในกระบวนกราร น, นี้เขาเขาเรียกว่าถลุงทองคําก็คือเอาทองนไปผ่านความร้อนมาเงนินเถอะอะไรที่มันเป็นเศษเป็นแร่งเงินเป็นแร่ตะกั่วเป็นแร่ ด, ดีบุกแร่อะไรที่มันเปรป น, นอยู่มันก็ไหลออกไปใช่ไหมหรือจะทองคําบริสุทธิ์รอยอร์หรือ 99.9% าินต่ถ้าใครไปตามหน้าร้านทองแล้วคุณเจ่ายเขาจะมีราคาทองติดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหมือนกันอะเป็นคืนลงลงเยอะ ถ้าทองเก้าสิบหกจหเปเซนตเี่ยจะมีราคาถูกกว่าทองเก้าส <Okay. S 1> นะิบเก้าจดเก้้าอร์ซเยเพราะว่าความบริสุทธิ์ของมันไม่เหมือนกันใช่ไหม <Okay. S 1> ซึ่งในลักษณะเดียวกันจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของเรายิ่งบริสุทธิ์มากก็จะยิ่งมีค่ามากนะไอ้ตรงน้ําฝาดของทองนี่แหละนะคือความวิตกนะความคิดในทางนูน่นนี่อะไรต่างๆนะซึ่งเราควรจะทําให้มันหมดไปด้วยคือนี่วอนหมดไปแล้วเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิแล้วนะทีนี้เราจะทําอย่างไรให้ ของเราเนี่ยเขาเรียกสิ้นอสาราะได้ตรงนี้คือการที่เอาพวกน้ำฝาด ต, ตรงนี้ออกไปจากเนื้อของทองให้ได้ซึ่งก็าหากว่าเรามีความเพียรกันจริงๆแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติบูบชาตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นี่ก็คงจะมีวันหนึ่งที่จิตเราจะสะอาดเป็นทอง99จุด 99% ได้ใช่ไหมเจ้าคะเราสามารถที่จะนําไปทําเป็นเครื่องทองอะไรต่างๆผลิตเป็นสิ่งที่มีค่าต่อไปนะเจ้าคะใช่แบบนั้นแล้วทองคําพอหลังจากที่มันถูกถลุงออกมาแล้วเนี่ยคุณเตือนใจเขาจะไม่กลับไปเป็นสินแร่ทองคําเหมือนเดิมสินแร่ทองคำมันก็จะสกปรกดําๆใช่ไหมพอผ่านกระบวนการล้างผ่านกระบวนการถลุงออกมาแล้วเนี่ยทำเป็นก้อนทองคําออกมาแล้วทําเป็นรูปขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ย เป็นแหวนบ้างต้มหูเขาส้คอบ้างเนี่ยเขาจะไม่กลับไปเป็นศีลแร่อย่างเดิมอีกนะจะไม่เป็นอีกเนะช่นเดียวกันคนที่ปฏิบัติสุดแล้วจนถึงความเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยจิตก็จะไม่กลับไปมีกิเลสอีกเป็นจิตที่ประพัดสอนนะไม่แบบไปเลกลืกลวกับสิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ว่าทําได้เฉพาะบางคนคือทุกคนทําได้อ่ะออขอให้คุณมีความเปลี่ยนจริงๆ นะผ่านกระบวนการล้างกระบวนการถลุงอย่างนี้นะซึ่งมันทีมมันต้องใช้ความเพียรบ้างมีผ่านความลําบากบ้างอะไรบ้างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของอริยามรรคมีองคแปดแนะคุณเดิอนใจค่ะซึ่งเราก็ต้องอหมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะท้อถอยไม่ได้เราก็จะละเอียดขึ้นแล้วก็จิตก็จะสว่างใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะใช่ใช ใน <ợ> ชาต <politique> ินี้ก็ชาติหน้าต้องได้เป็นพระอรหันต์นะเจ้าค่ะต้องได้แน่คือเอาเอาชาตินี้อย่างน้อยเราให้ได้เป็นส่นาบันซะก่อนเจ้าค่ะให้ได้เป็นส่าบันอย่างน้อยที่สุดเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อยากจะขอให้สองนาทีนี้ให้พระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนนะเจ้าค่ะเมตตาสรุปของการพูดคุยกันในวันนี้ที่ได้ตอบปัญหาของคุณกนกรัฐอ่าเขมจรอเขมจรแขกเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของสมาบัตรทีโรคสมาบัตรแล้วก็เรื่องของการที่ เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการรีเคลนการทําจิตในกรณีที่เปรียบเทียบช่างทองเจ้าค่ะแต่มาแต่มาต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของการปฏิบัติของเราเนี่ยเราค่อยๆทําไปล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกเป่าแล้วเป่าแล่าเป่าแล้วเป่าแล่าเป่าจนได้ที่ทําไปทําไปสับหมูต้องค่อยๆสับสับไปสับสับสับจนทั้งมันละเอียดหมดละเอียดแล้วก็สับอีกให้มันละเอียดยิ่งขึ้นแต่ธรรมะของพระเจ้าเราค่อยๆทําเอาเนี่ยอย่าท้อแท้ท้อถอย อย่าไปคิดว่าเรามันบุญ น, น้อยวัฒนาน้อยฉันทําไม่ได้ฉันทําได้แล้วไม่ได้ผลนะเราค่อยๆทยําไปยังไงมันก็จะได้ผลอยู่หรอนีประเด็นมันคือไม่ได้ทําหรือทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราทําถูกเนี่ยเราจะต้องได้ผลแล้วก็ค่อยๆทําไปเราก็จะได้แ ล, แล้วก็พอเราทำกับข้าวเสร็จทําอะไรเสร็จเรามาชิมดูโอ้รสชาติเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องถามกครอีกอย่างไี้แหละเจ้าค่ะเราก็จะรู้ซึ้งไปเองว่าสิ่งที่เราได้ ได้หลังจากที่ทําตามที่พุทธวจนะขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนเนี่ยสิ่งที่เป็นวิมุติเป็นความสุขแท้จริงนั้นคืออะไรนะเจ้าคะจะทราบได้ด้วยตนเองถูกต้องแกดงด้วยตนเองนะเจ้าคะรู้ได้เฉพาะตอนเลยอ่าเจ้าค่ะสาธุเจ้าคะาาคะ่คะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมราบรุนในเช้าวันเสาร์ที่14มกราคมวันนี้ก็คงจะต้องหม ด, ดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องพาท่านผู้ฟังกราบนรมาสการลาพระอาจารย์ใบบุญอภิปุโน กราบนมัสการพระอาจารย์และกราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจ า, จ า, ารย์ชุขาเยี่ยมผ่านสาธุเจ้าค่ะ